เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำประโยชน์ให้กับตนและแก่ผู้อื่นด้วยความไม่ประมาทตามที่พระพุทธเจ้าได้สรนสัจสอนไว้เป็นปชิมมะโอวา่าคือเป็นคำสอนครั้งสุดท้ายก่อนที่ท่านจะ สเสด็จดับขันธาปาลานิพานไปท่านทรงเตือนสติพุทธศาสนิกระชนไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือเป็นคาราะไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทเพราะสังขารคือชีวิตร่างกายนี้ไม่เที่ยงมีเวลาจำกัดมีการเกิดแล้วต้อง ตายไปในที่สุดและจะไปเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้ดังนั้นในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ควรรีบขวนขวายทำประโยชน์ให้กับตนด้วยการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคือความไม่ประมานนี้หมายถึงว่าให้ทำทันที เมื่อเรามีเวลาที่จะทำได้เพราะเวลาของเรานั้นก็ต้องถูกแบ่งออกไปทำประโยชน์อย่างอื่นด้วย mm hmm. เช่นประโยชน์ประโยชน์เกี่ยวกับการดูแลรักษาร่างกายของเราเราก็ต้องมีปัจจัยสี่ต้องมีต้องทำมาหากินหาเงินหาทอง <c oughs> เพื่อที่จะได้มาซื้อ ปัจจัยสีและสิ่งที่จาเป็นต่อการครองชีพแต่ถ้าเรามีเวลาว่างแล้วไม่ควรที่จะเอาเวลาว่างนี้ไปพัทําประโยชน์อย่างอื่นเช่นไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือไปแสวงหาทรัพสมบัติข้าวของเงินทอง ให้มีมาก เ, าเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะมันไม่ได้เป็นประโยชน์ที่แท้จริงเป็นประโยชน์สำหรับกิเลสตัณหาเสียมากกว่าเป็นทำให้กิเลสตัณหาเจริญก้าวหน้าและจะได้มาสร้างความทุกข์ให้แก่ใจของพวกเราให้มีเพิ่มมากยิ่งขึ้นไปซึ่งไม่ใช่เป็น ทางของคนฉลาดไม่ได้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราพยายามกําจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้น้อยลงไปให้เบาบางลงไปด้วยการมาทําประโยชน์ให้แก่ใจด้วยการทําบุญให้ทานด้วยการรักษาศีล ด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยการฟังเทศฟังธรรมอย่างนี้จะได้ประโยชน์ที่แท้จริงเพราะจะทำให้จิตใจนั้นมีความสะอาดเพิ่มมากขึ้นมีความสุขเพิ่มมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงไปมีพบชาติน้อยลงไปและมีพบชาติที่ดีขึ้นไปตามลำดับ จนถึงพบชาติที่ดีที่สุดเกิดจากการที่เราปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความไม่ประมาทท่านทรงสอนว่าการที่เราจะไม่ประมาทได้นี้เราต้องระลึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกคนเราถ้ารู้ว่าเราจะต้องตาย เราจะไม่คิดอยากจะร่มรวยไม่คิดอยากจะมียศตำแหน่งสูงสูงแต่จะคิดหาบุญหากุศลกันเพราะรู้รู้ว่าลาบยศสรรเสริญต่างๆนี้เราไม่สามารถเอาติดไปกับเราได้และก็ไม่ได้ช่วยดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้ แต่ถ้าเราไม่ได้พิจารณานะความตายเราก็จะลืมเราก็จะหลงคิดว่าเราจะอยู่ไปกัร น, นังนงาน<ๆ>ก็เลยทำให้อยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้อยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้กันแต่ถ้าเราระลึกถึงความตายอยู่เสมอเสมอแล้วความอยากต่างๆเหล่านี้มันจะมีกำลัง น้อยลงไปความหลงที่จะมาหลอกให้เราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็จะเบาบางลงไปมันก็จะทําให้เราอยากจะทําบุญให้ทานอยากจะรับสาศีลอยากจะปฏิบัติธรรมอยากจะเข้าวัดหรืออยากจะออกบวชกันดังนั้นในเบื้องต้นนี้เราต้องเจริญมราณานุสติ ระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆไม่ต้องกลัวว่าการระลึกถึงความตายแล้วนี้จะทาให้เราตายสิ่งที่จะตายก็คือกิเลสตัณหาต่างหากที่จะตายจากการระลึกถึงความตายแต่ร่างกายเหล่านี้มันไม่ได้ตายเพราะเราคิดว่าเราจะต้องตายถ้าความคิดของเราวิเศษอย่างนี้ถ้าเราคิดว่าเราจะต้องอยู่มันก็ต้องอยู่ แต่มันไม่ได้เป็นตามความคิดของเราความคิดของเราไม่มีอิทธิพลเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของร่างกายของเราแต่มีอิทธิพลต่อความเป็นความตายของกิเลสตัณหาของความโลภของความโกรธของความหลงของความทุกข์ต่างๆที่กิเลสตัณหาทั้งหลายเป็นผู้ผลิตเป็นผู้สร้างขึ้นมา ดังนั้นอย่ากลัวเรื่องการละเลิกถึงความตายว่าเป็นอัปมงคลอันนี้แหละพระพุทธเจ้าส อ, สอนว่าเป็นปัญญาเป็นสวะแสงสว่างแห่งธรรมดังที่พระอญญานยณกนทยะได้อุทานไว้หลังจากที่ได้ฟังพระธรรมเทศนาครั้งแรกของพระพุทธเจ้าท่านก็ไปอุทานออกมาว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้น เป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาพอท่านเห็นอย่างนี้แล้วก็ไปดับกิเลสคือความอยากอยู่หรือกิเลสคือความกลัวตายได้ความรักตัวกลัวตายนี้เป็นกิเลสเป็นตัญหาเป็นตัวที่จะสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราถ้าเรายังมีความรักตัวกลัวตายอยู่ทุกครั้งที่เราระลึกถึงความตาย หรือเห็นคนตายนี้ใจเราจะหวั่นไหวใจเราจะเศร้าหมองใจเราจะเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปความหวาดกลัวเหล่านี้มันจะค่อยๆหายไปและหมดไปถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆื<ม>เบื้องต้นนี้ก็อาจจะรู้สึกหวาดกลัว หรือวิตกกังวลแต่ถ้าเราพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วต่อไปใจจะรับได้ใจจะยอมรับความจริงได้เมื่อยอมรับความจริงได้แล้วความลักตัวกลัวตายนี้ก็จะหายไปก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่หวาดกลัวกับความเป็นความตายอีกต่อไปถึงเวลาตายก็รับได้ถึงเวลาอยู่ก็อยู่ได้ จะไม่ทุกข์กับปัญหาต่างๆกับเรื่องราวต่างๆเหมือนคนบางคนที่พอได้พบศบกับปัญหาต่างๆก็เกิดมีความอยากจะตายเสียซึ่งนี่ก็เป็นกิเลสอีกรูปแบบหนึง่งความอยากอยากจะอยู่ก็เป็นกิเลสความอยากจะตายก็เป็นกิเลสแต่ถ้าเป็นธรรมแล้วจะมีความ รู้สึกเฉยๆกับการอยู่กับการตายอยู่ก็ได้ไปก็ได้เพราะใจไม่ได้ได้ไม่ได้เสียกับกับการอยู่หรือการไปเพราะใจรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่าอย่างไรอย่างไรก็ต้องไปเมื่อรู้ว่าจะต้องไปแล้วจะไปยึดติดไปหวงไปหว่วงกับอะไรทําไม ให้เกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมาเปล่าๆใจของผู้ที่ได้พิจารณาความตายอยู่เรื่อยๆแล้วจะกลายเป็นใจที่มีความกล้าหาญจะเป็นใจที่ไม่ค่อยทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเพราะไม่ได้ยึดไม่ได้ติดเพราะเตรียมตัวเตรียมใจที่จะไปแล้วจะจากสิ่งต่างๆไปแล้วจึงไม่มีความอยากจะ อยู่กับสิ่งต่างๆไปนานๆหรืออยากจะมีสิ่งต่างๆให้มีเพิ่มมากขึ้นไปนี่คืออนิสงส์ที่เกิดขึ้นจากการระลึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกมันจะทำให้ความอยากต่างๆนี้หายไปเลยความไม่อยากอยู่ก็หายไปการพิจารณาความตายที่ถูกต้องแล้วจะ ทำให้ใจสงบเป็นอุเบกขาแต่ถ้าพิจารณาไปแล้วเกิดความอยากตายขึ้นมาอย่างนี้ก็ถือว่าพิจารณาไม่ถูกถูกกิเลสมาเอาการเจริญมรณานุสตินี้มาเป็นเครื่องมือเสียคือทำให้เราคิดอยากจะตายจากโลกนี้ไปอยากจะฆ่าตัวตาย ถ้าเราพิจารณาแบบนี้แล้วก็ต้องหยุดไว้ก่อนแสดงว่ากิเลสนี้มีอำนาจมีกำลังมากกว่าเราควรที่จะทำใจให้สงบก่อนนถ้าใจสงบแล้วกิเลสก็เหมือนกับถูกฉีดยาสลบตอนนั้นเวลาที่เราจเจริญวิปสัสสเจริญมานานุสติกิเลสก็จะไม่มา หลอกให้เราไปคิดอยากจะฆ่าตัวตายหรือไม่อยากจะอยู่อีกต่อไปเพราะธรรมดาใจของคนเหล่านี้จะถูกกิเลสแกว่งไปสุดโตรงบางทีก็อยากจะอยู่บางทีก็อยากจะตายแต่ไม่เคยอยู่ ก, กรตรงกลางเลยว่าอยู่ก็ได้ตายก็ได้เพราะว่ามันมันไม่ชอบมันชอบไปทางใดทางหนึ่ง ถ้าไม่รักก็ชังถ้ารักก็อยากจะอยู่ไปนานานถ้าชังเบื่อหน่ายก็อยากจะตายไปเร็วๆนี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นถ้าเราจเจรเลิมาณานุสติได้เบื้องต้นยังไม่ได้เราต้องทําใจให้สงบก่อนเพราะการจเจริญม า, านานุสตินี้เรียกว่าเป็นการจเจริญปัญญาซึ่งเป็นธรรมที่สูงกว่า ต้องรอให้มีรรมทาที่ที่รองรับปัญญานี้ก่อนก็คือความสงบ ก, ก็คือการฝึกทําใจให้มีสมาธินั่งสมาธิก่อนถ้าทําใจให้สงบได้แล้วเวลาออกจากสมาธิมาใจยังจะมีความเย็นมีความมีเหตุมีผลไม่มีอารมณ์ของ ตัณหากิเลสถ้าพิจารณาความตายก็จะรับได้จะไม่รู้สึกจะมีความรู้สึกกลัวตายหรืออยากจะตายแต่ถ้าใจยังไม่มีความสงบนี้ถ้าพิจารณาเรื่องความตายแล้วก็จะไปทางใดทางหนึ่งจะเกิดความกลัวตายขึ้นมาและเกิดความอยากตายขึ้นมาได้ดังนั้นผู้ที่ ต้องการที่จะเจริญปัญญาคือการเจริญมราณานุสตินี้ก็ควรที่จะทําใจให้สงบก่อนสงบมากสงบน้อยก็สามารถที่จะเจริญได้ตามกําลังของความสงบถ้าสงบน้อยก็จะเจริญได้ไม่นานถ้าสงบมากก็จะเจริญได้ได้นานถ้ายิ่งเจริญได้นานเท่าไหร่ก็จะ ป้องกันหรือปิดกั้นไม่ให้กิเลสตัณหาความอยากต่างๆเกิดขึ้นมาภายในใจได้มากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนจะไม่มีความอยากที่จะมีอะไรหรือได้อะไรเลยอยากจะมีอย่างเดียวก็คือความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายเท่านั้นถ้าได้เจริญถึงขั้นนั้นแล้วก็จะเบื่อหน่าย ต่อกับการแสวงหาลาบยศสลรเสริมสุขต่างๆไม่ว่าจะเป็นสุขทางต า, งตางหูจมูกลิ้นกายก็จะไม่สนใจแล้วที่นี่อยากจะหลุดพ้นอย่างเดียวอยากจะดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจก็จะปล่อยวางภารกิจการงานต่างๆที่ไม่จำเป็นเมื่อก่อนคอยหาความสุขกับ รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็จะเลิกไม่หาความสุขเคยหาความสุขจากการไปเที่ยวไปดื่มไปรับประทานไปซื้อข้าวของฟุ่มเฟือยต่างๆก็จะไม่มีความอยากที่จะทำอย่างนั้นอยากที่จะทำใจให้สงบแล้วก็มาเจริญปัญญาเพื่อมาตัดกิเลสตัณหา ที่เป็นตัวสร้างความทุกข์สร้างความไม่สบายใจนี้ให้หมดไปนีมีอันินสง์ที่จะเกิดขึ้นถ้าหากเราได้เจริญม า, านานุสติกันส่วนใหญ่นี้เราก็พอเจริญได้บ้างเช่นตอนเช้าหลังจากที่เราตื่นขึ้นมาแล้วตอนนั้นจิตใจของเราค่อนข้างจะสงบถ้าเราไหว้พระสวดมนต์ แล้วก็นั่งสมาธิสักหนาทีสินาทีหลังจากนั้นเราก็จะเลินได้เช่นให้เราเลิกว่าเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาย่อมมีความตายเป็นธรรมดาเราก็จะพิจารณาได้อย่างน้อยวันหนึ่งถ้าเราได้ทำอย่างนี้ในตอนเช้ามันก็ยังดี พอที่จะมีอะไรมาคอยเดินใจเราเวลาเราออกไปทำมาหากินเราจะได้รู้ว่าเราไปทำมาหากินเท่านั้นนะเพื่อดูแลรักษาชีวิตร่างกายของเราให้อยู่ต่อไปเพื่อที่เราจะได้มาทำประโยชน์ให้แก่ใจของเราเราไม่ได้มีชีวิตอยู่นี้เพื่อหาความร่ำรวย หายศหาตำแหน่งหาการสรรเสริญเยืนยอหรือหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่เราจะมาหาความสุขทางใจเราจะมาดับทุกข์ทางใจกันถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะมีเป้าหมายว่าหน้าที่ของเราชีวิตของเรานี้อยู่ตรงไหนถ้าเราไม่คิดอย่างนี้ เราก็จะคิดแต่จะหาเงินทองให้มากขึ้นไปเรื่อยๆหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายอยู่เรื่อยๆแต่เราหารู้ไมมว่าเรากำลังหาความทุกข์เข้ามามากกว่าหาความสุขเข้ามาความสุขที่เราได้จากการหาลาบยศเสริญสุขนี้ไม่ไม่ไม่คุ้มกับ ความทุกข์ที่เราได้ติดตามมาด้วยเวลาที่เราต้องสูญเสียสิ่งที่เราหามาได้เราก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจในขณะที่เรามีเราก็มีความวิตกกังวลมีความห่วงมีความห่วงเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์ที่เราไม่ค่อยได้มองเห็นกัน ดังนั้นขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าเถิดว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนเราก่อนที่จะเราไปนี้เป็นคำสอนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะท่านไม่มีเวลาที่จะสอนอย่างอื่นแล้วก็ต้องสอนสิ่งที่ดีที่สุดที่มีคุณค่ามีคุณประโยชน์กับเราที่สุด งั้นขอให้พวกเราอย่ากลัวความตายขอให้เราคิดว่ากลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายเหมือนกันคิดว่าเราจะตายหรือไม่คิดว่าเราจะตายเราก็ต้องตายเหมือนกันแต่ถ้าเราคิดแล้วกิเลสตัณหาความทุกข์มันจะตายไปแต่ถ้าเราไม่คิดกิเลสตัณหากับความทุกข์มันจะมีเพิ่มมากขึ้นไป มาทรมานจิตทรมานใจของเราทำให้การอยู่ของเรานี้ไม่มีความหมายเลยไม่มีความสุขเลยไม่เชื่อลองถามใครๆดูก็ได้ว่ามีใครบ้างที่ไม่มีความทุกข์ทุกคนมีความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นเพียงแต่ไม่เอามาบอกมาเล่ากันเท่านั้นเองเพราะอับอายขายหน้ากันอยากจะเอาแต่ความสุขมาอวดกัน แต่ความทุกนี้มันแสที่แสนทรมานนี้เรากลับต้องเก็บเอาไว้ในใจไว้คนเดียว <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้น <Yeah. S 1> ขอให้เราพยายามทำที่ตามที่พูดเจ้าทรงสั่งสอนเถิดอย่างน้อยวันหนึ่งก็ควรจะละเลิกสักสักสองสามครั้งก็ยังดีแต่ถ้ามากยิ่งกว่านั้นยิ่งดีใหญ่ ในเริ่มในตอนต้นเราอาจจะเราลึกถึงความตายมากไม่ได้เพราะเราถูกกิเลสต่อต้านอยู่เราก็หาเวลาที่ใจเราสงบใจเราสบายเราก็ให้นึกถึงความตายไว้เวลาที่ใจเราไม่สบายอย่าไปนึกถึงความตายเพราะมันจะทําให้เราคิดอยากจะฆ่าตัวตายได้คนที่ฆ่าตัวตายนี้บางครั้งก็คิด ถึงความตายในตอนที่ใจไม่สงบใจมีความทุกขุ่นหวายใจพอคิดว่าไหนๆจะต้องตายแล้วก็ตายมัเสียแต่ตอนนี้เลยก็หมดเลื่อไปนี่เป็นเหตุที่เกิดจากการคิดถึงความตายในขณะที่ใจมีอารมณ์ว่าวุ่นขุ่นมัวในขณะที่เรามีอารมณ์ว่าวุ่นขุ่นมัวนี้อย่าไปคิดอะไรเลยให้หยุดความคิดทุกอย่าง ด้วยการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปหรือด้วยการด้วยการสวดมนต์ไปทําใจให้สงบอย่าให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆเพราะว่ายิ่งคิดก็ยิ่งทุกขและเมื่อยิ่งทุกก็ยิ่งอยากจะหนีจากความทุกข์ก็จะเห็นว่าความตายนี้เป็นทางเดียวที่จะหนีจากความทุกข์ไปได้แต่ความจริงแล้ว ความตายนี้ดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในใจไม่ได้นะเพราะทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายทุกข์มันอยู่ที่ใจถึงแม้จะฆ่าร่างกายให้ตายไปแล้วทุกข์ในใจมันก็ยังไม่ดับนะทุกข์ในใจมันเกิดจากกิเลสตัณหาเกิดจากความอยากต่างๆเราอยากได้อย่างนั้นอยากมีอย่างนั้น พอเราไม่ได้หรือเราสูญเสียสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราเคยเป็นอยู่เราก็อยากจะได้คืนมาพอเรารู้ว่าเราไม่สามารถที่จะได้คืนมาแล้วเราก็เกิดความทุกข์ทรมานใจก็ไม่คิดอยากจะอยู่ต่อไปอยากจะหนีจากความทุกข์เหล่านี้ถ้าเราอยากจะหนีจากความทุกข์เหล่านี้เราต้องมาดับความอยาก อย่าไปอยากได้ในสิ่งที่เราเสียไปแล้วสิ่งที่เสียไปแล้วก็ถือว่ามันผ่านไปแล้วเราไปเอามันกลับมาไม่ได้เช่นเราเสียคู่รักของเราไปอย่างนี้เราจะมาร้องห่มร้องไห้ขอให้เขากลับมานี้เขาก็ไม่กลับมายิ่งร้องห่มร้องไหย้ยิ่งอยากให้เขากลับมาหาเราเราก็ยิ่งจะทุกข์ทรมานใจใหญ่แต่ถ้าเรา ยอมรับความจริงว่าเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อถึงเวลาที่เขาต้องจากเราไปเขาก็ต้องจากเราไปแล้วเมื่อเขาไปแล้วเขาก็ไม่กลับมาเราไปอยากให้ก็กลับมาแล้วเกิดความทุกข์ทรมานใจไปทำไมไม่เกิดประโยชน์อะไรเราสู้หันหน้ามารับความจริงดีกว่าว่าชีวิตของคนเราทุกคนเป็นอย่างนี้ด้วยกันเท่านั้น แล้วเอามาเป็นบทเรียนสอนใจแล้วว่าถ้าไม่อยากจะทุกทรมานใจอย่างนี้อีก <c oughs> ก็อย่าไปยึดไปติดกับใครอีกต่อไปถ้ายังมีถึงแม้ว่าถ้ายังมีอายุน้อยอยู่ <c oughs> ก็อย่ากลับไปหาคู่ครองคนใหม่เพราะว่าเดี๋ยวก็จะเจอรูปแบบอันเดิมซ้ำตาซอีกป ร, ป, รประวัติศาสตร์จะซ้ำรอย แล้วเราก็จะต้องมาทุกข์ทรมานอีกเพราะว่าไม่ว่าเราจะได้ใครมาใหม่ไม่ช้างก็เร็วเขาหรือเราก็ต้องจากกันอีกอยู่ดีเพราะเราอยู่ในโลกของการจะพัดพราคจากกันเป็นธรรมดานั่นเองดังนั้นถ้าเราเกิดสูญเสียใครไปและเรามีความทุกข์ทรมานใจเราควรที่จะพลิกโอกาสพลิกวิกฤตนี้พลิกความเศร้าโศกเสียใจนี้ ให้เป็นโอกาสที่จะทำให้เราไม่ต้องมากับมาทุกข์ใหม่อีกด้วยการเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆว่านี่แหละเมื่ช้าก็เร็วเราต้องจากกันและ ว, วันนี้เราก็ได้จากกันแล้วต่อไปเราจะไม่อยากจะมีใครมาเป็นคู่รักคู่ครองของเราอีกมีแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาทุกข์ทรมานใจอย่างนี้อีกถ้าเราทำอย่างนี้ได้ เราก็จะได้รับประโยชน์จากการสูญเสียจากการพัดพาดจากสิ่งที่เรารักไปเพราะจะทำให้เราฉลาดจะทาให้เราไม่หลงที่จะไปอยากได้คนนั้นคนนี้มาเป็นคู่ครองของเราและมันก็จะสอนให้เราไม่อยากจะได้สิ่งอื่นๆเพราะมันก็เป็นเหมือนกันเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันมี ลักษณะเหมือนกันคือมันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปมันไม่อยู่กับเราไปตลอดและเราไม่สามารถไปห้ามหรือไปควบคุมบังคับให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้ถ้าเราจำได้แล้วฝังอยู่ในใจของเราเราจะไม่อยากจะได้อะไรไม่อยากจะมีอะไรอยากจะอยู่อย่างไม่มีความทุกข์เพราะเข็ดแล้ว กับความทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียสิ่งที่เราหลงไปรักไปยึดไปติดคิดว่าเราจะมีความสุขกับสิ่งที่เราไปยึดไปติดเรากับได้ความทุกข์มากกว่าความสุขที่ได้ก็มีบ้างแต่เมื่อเปรียบเทียบกับความทุกข์กับสิ่งที่เราไปยึดติดนี้มันเหมือนฟ้ากับดิน ความสุขที่เราได้จากเขานั้นเป็นเพียงระยะสั้นๆแต่ความทุกข์นี้มันมีอยู่เกือบตลอดเวลาทุกข์เพราะความหวงบ้างทุกข์เพราะความห่วงบ้างทุกข์กเพราะความเสียใจเสียดายบ้างเนี่ยมันเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่ภายในใจของเราจึงเราจึงต้องพยายามพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ว่าไม่เทีย่ยม ไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดและเราไม่สามารถไปควบคุมมังคับให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วใจของเราก็จะหดคือกิเลสตัณหามันจะหดเข้าไปจะทำให้เราอยู่อย่างมีความสุขโดยที่เราไม่ต้องมีอะไรเมื่อก่อนนี้เราคิดว่าเราอยู่คนเดียวแล้วว้าเวต้องมีคนนั้นคนนีสงงน้สิ่งนั้นสิ่งนี้ แต่พอเรามีธรรมะอยู่ภายในใจแล้วทําให้กิเลสตัณหานีหดตัวลงไปได้ความรู้สึกว่าเวหรือความรู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวนั้นมันจะเบาบางลงไปเพราะความรู้สึกเหล่านี้มันเกิดจากกิเลสตัณหานี้เองไม่ได้เกิดจากอะไรผู้ที่ทําใจให้สงบแล้วไม่มีกิเลสตัณหาทํางานชั่วคราวนี้ จะไม่รู้สึกว้าเหวเลยถึงแม้จะอยู่คนเดียวอยู่ในป่าตามน้ำพังก็ตามแต่ความรู้สึกว้าเหวความรู้สึกหวาดกลัวนี้จะไม่มีอยู่ภายในใจเลยเพราะกิเลสไม่ได้ทํางานนั่นเองแต่ถ้ากิเลสออกมาเพ่นพ่านเมื่ อ, อไหร่เมื่อนั้นแหละความรู้สึกว้าเหวอ้างว้างเป่าเปลี่ยวความรู้สึกว่ายังขาดสิ่งนั้นขาดสิ่งนี้ ยังอยากมีสิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้อยู่มันก็จะกลับขึ้นมาผู้ที่ปฏิบัติธรรมจึงต้องคอยควบคุมใจให้สงบอยู่เรื่อยๆเวลาไม่สงบก็ต้องทำให้สงบด้วยการไปนั่งสมาธิเวลาออกจากสมาธิแล้วก็ต้องควบคุมความคิดควบคุมไม่ให้ความคิดไปคิดถึงเรื่องของความอยากมีอยากได้อยากเป็นต่างๆ ถ้าอยากมีอยากได้ก็ต้องใช้ปัญญาเข้าไปสกัดถ้าไปสอนใจว่าสิ่งที่อยากได้นี้มันไม่เที่ยง ม, มันไม่อยู่กับเราไปตลอดแล้วมันมันจะให้ความทุกข์กับเรามากกว่าให้ความสุขกับเราถ้าเรามีปัญญาในขณะที่เราออกจากสมาธิควบคุมความคิดของเราความรู้สึกอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ความอ้างวาง้างเปล่าเปีย่ยว เดียวดายนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นมาเพราะถูกปัญญาคอยตัดคอยทำลายอยู่เรื่อยๆนี่ถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้ได้แล้วต่อไปเราจะอยู่คนเดียวได้อย่างมีความสุขและจะไม่ต้องทุก์กับใครไม่ต้องทุก์กับเรื่องอะไรเพราะเราไม่มีความผูกพันไม่มีความยึดติดกับใครทั้งนั้นใครจะอยู่ใครก็ไปก็เป็นเรื่องของเขา แต่เราจะไม่ไปทุบ ก, กับเขาโดยเด็ดขาดไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามเขาจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นบินานดามารดาครูบาอาจารย์หรือเป็นคนที่เราเกลียดชังมันก็ไม่มากระทบกับเราเพราะว่าเราไม่ไปยึดไปติดกับเขานั่นเองแต่เรื่องการความความลบ ความมีเมตตาต่อกันนี้มันยังมีอยู่ภายในใจเพียงแต่ว่าเราไม่ไปทุกข์กับเรื่องของเขาเท่านั้นเองเพราะเรารู้ว่าเข า, เขาต้องเป็นอย่างนี้กันคนเราทุกคนต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนจะไปทุกข์กับเรื่องที่มันเป็นเรื่องปกตินี้ก็แสดงว่าเรานี้ไม่ปกติเหมือนเราไม่ทุกข์กับการ ขึ้นของพระอาทิตย์และกับการตกของพระอาทิตย์ถ้าเราไปทุกข์กับมันเราก็จะไม่ปกติแต่เราไม่ทุกข์กับการขึ้นของพระอาทิตย์หรือเขาของการตกของพระอาทิตย์ฉันใดเราก็ไม่ควรที่จะไปทุกข์กับการแก่กับการเจ็บกับการตายหรือกับการเกิดแต่พวกเราไม่ปกติกันเวลาเกิดพวกเราก็ดีอกดีใจกัน เวลาได้ลูกได้หลานก็ดีออกดีใจกันพอเวลาเสียเขาไปก็ร้องห่มร้องไห้กันอย่างนี้เรียกว่าไม่ปกติมันต้องปกติเกิดก็เฉยตายก็เฉยถึงจะเรียกว่าปกติเหมือนกับพระทขึ้นพระอาทิตย์ตกเราก็เฉยเราไม่ได้มีอารมณ์ดีใจเสียใจไปกับการขึ้นการตกของพระอาทิตย์ชั้นใด เราก็ไม่ควรที่จะมีอารมณ์กับการเกิดกับการเกิดหรือกับการตายเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาสิ่งใดก็ตามที่มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดานี่คือธรรมที่พวกเราควรที่จะทําให้มีปรากฏขึ้นมาภายในใจของเราด้วยการเจริญม า, านุสติอย่างต่อเนื่องรับรองได้ว่าไม่นาน ทำดวงนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาภายในจิตใจของเราอย่างแน่นอนดังนั้นจึงขอฝากเรื่องของการมาทำประโยชน์ให้กับตนด้วยการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นด้วยความไม่ประมาทนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิพจิตรณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญเพื่อความดับของความทุกข์ทั้งหลาย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 จากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้าการเธอ